ถ้าใครทําความชั่วนะั่นนะลงเลยเ อ, อนรกไม่เต็มหลวงปู่จามท่านบายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราอยา่นะอออยาไปนะออย่าไปนรกแต่ให้ไปสวรรค์จะดีกว่าเพราะฉะนั้นให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเรานะืคณะทาญาทโ ย, ยมลูกหลานทุกคน อ, อแล้วก็พร้อมกันที่หลวงพ่อจะได้พูดเกี่ยวกับ อ, อ, องค์หลวงตาที่หลวงพ่อเข้าไปเกี่ยวข้อง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 หลวงพ่อเข้าไปเห็นแต่พระท่านเป็นนอนนอนย่างอยู่โอ้พระทั้งหลายกนันั่งล้อมล็อกพอหลวงพ่อไปเห็นโอ้หลวงตานอนเออท่านเสร็จแล้วท่านก็นอนเราก็ถามว่า เ, เราพวกพระได้จัดข้างบนไหมไว้ไหมยังไม่ได้จัดมีแต่ที่นอนเออไปขึ้นไปจัดข้างบนไปไปเตรียมไว้นะ เ, เตรียมข้างในด้วยเตรียมข้างนอกกุฏิของท่านด้วย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 ตอนนี้พอตอนวันล่วงขึ้นเถ้าแก่สมหมายเราก็เลยเห็นว่าหลวงพ่อมาจากมุกดาหารเขาเก่งมากเป็นหมอหมอศยศาสตร์นะไม่ใช่สยศาสตร์หมอน้ำมันนะเขาจะเสกคาถาคาาพระโมกคลาใส่น้ำมันงานะแล้วก็ทาเขาเก่งมากตอนี้นก็เลยเอาหมอหลวงตานั้นมาทีจา่จังหวัดมุกดาหารเอาพระมา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 จากนั้นก็หลงตาคันอนพักผ่อนนะจ๊ะเนเีตามหมอที่เขาบอกท่านก็พักผ่อนอไม่ถายไม่เลยแต่ก่อนท่านถ่ายนะท่านถ่ายท่านระบายท่านก็บอกอยังกนบวันมันดีอยู่นะถ้าว่าทั้งถ่ายด้วยทั้งปวดอย่างนี้ด้วยก็คงจะแย่อันนี้รู้สึกว่าถ่ายนะหายเงียบไปเลยเรื่องท้องหายไปเลย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 ประคองขาเลยตัวหนึ่งกับประคองอที่หลังของท่านเลยหามมาเลยพอหามมาจะมากับทนนอนให้ท่านนอนราบอาจารย์หมอนอนราบอาจารย์หมอที่พลอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนยอาจารย์หมอขึ้นมาดูสิอาจารย์หมอทีพลกูวิ่งขึ้นมาพร้อมกับเครื่องวัดความดันเฮมากับมาวัดความดันโอ้ลงไปเกือบศูนเลยอนยะ้งนั้นเออเกือบ เข้าเข้าขั้นอันตรายมากๆเลยงั้นต่อาจารย์หมอที่ปนทำไมเป็นนะนี่หว่าแต่ในอีกสักพักหนึ่งพอหลงตานอนราบจะนะเลแล้วก็วัดอีกครั้งสองเออขึ้นมาแล้วนะอพอขึ้นมาครั้งสามขึ้นมาเออเล็บนั่นน่ะให้คลายกาว่าท่านลุกยืนมานานเยหลวงพ่อยังคิดว่าถ้าหาว่า มากก่อนนะั้นเราหลวงพ่อเขาคงจะยกขาลงตาขึ้นสูงวนะัดหลวงพ่อไม่ใช่หมอเลยแต่เก่งอย่างนะั้นหลวงพ่อกําลังจะยกขาลงตาขึ้นคือให้เลือดไปเลี้ยงสมองว่ามนะั้นกันเพราะลงตานอนนอนราบอย่างู่หลวงพ่อกําลังจะยกขาลงตาอเอเให้เลือดมันขึ้นอลงตาก็เลขึ้นมาโอ้โทุกทถ้าหากว่าเอาหลวงตาเดินตกแตกตกแตกตกแตกมานะ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 ท่านเราจะอยู่ต่อไปก็เหมือนกับเราไปขวางพวกน้องๆทั้งหลายเราก็คิดอีกเหมือนกันนั่นแหละอา่าพออาการของท่านก็ดีขึ้นพอจะช่วยตัวเองท่านได้แล้วเนะี่ยเราก็ออกมาแต่นี้พอออกมาเราก็เข้าไปตอนสายๆท่านนอนอยู่ตามลําพังนะไม่มีใครวันนะนอนตะแคงเงียบเราก็เข้าไปใกล้ๆก็ไปกราบท่านเอากราบท่านนะแล้วก็นั่ง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 ทานน้ำมันอีกเนาะก็ผมน้ำมันมันแห้งแล้วก็ผมแต่มองตาขึ้นมาเหลือบตาขึ้นมาอย่ามายุ่งเราจะตายคนเดียวเรื่องอะไรทไํา ไ, ไมมันไม่คิดเอทําไมทําไมมันไม่คิดเออย่ามายุ่งกับเราเราจะตายคนเดียวโอ้โหลวงพ่อได้ยินทนะ่านสุดโตห้คลายก็ว่าเอท่านนะทําไม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 ท่านคงจะมองดูแล้วกลัวเขากลัวเราจะหลงลืมหลงเหลืองเหลืงเจิ่งเกี่ยวกับคู่คนคู่คนรู้รู้จักมักคุ้นมากเลยก็ทําให้เสียหายได้เพราะนั้นท่านคงจะอย่าเข้ามายุ่งให้ท่านไปอยู่ภาวนาไปอยู่ตามลําพังลักษณะอย่างนั้นทํามากกว่าหลวงพ่อหลวงพ่ออ่านอ่านแนวความคิดของหลวงตานี่แหละอันนี้ก็คือ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 อ้หลงตาในท่านเอาจริงๆนะเพราะนั้นดูกระหลงตาในช่วงที่ท่านเข้มงวดกวดขันอท่านยังเข้มแข็งอยูนะ่การฉันก็ดีการ อ, าอะไรก็ดนะีเวลาฉันจังหั น, นอพอฉันจังหันเนี่ยท่านจะเหลือบไปดูพระ เ, เวลาฉันจังหันองหนูตาเถอออกไปข้างนอกแต่เคี้ยวจบจบแบบขาดสติหนะลงตาจะบอก